มีพระรูปหนึ่งนะขับรถออกจากวัดกลางดึกเลยอ่าถ้าเราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยตาหรือเห็นทางโซเชียลมีเดียนะที่มันเป็นคลิปวิดีโอนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเกิดความไม่พอใจทนไม่ได้นะว่าพระอะไรนะขับรถ ไปเที่ยวกลางคืนนะนะถ้าคิดแบบนี้นะก็คงทนไม่ได้นะที่จะนะเขียนข้อความนะคอมเมนต์ต่อว่าตำหนิแต่ความจริงก็คือว่าภาพรูปนั้นเนี่ยกำลังขับรถพานเนนที่ป่วยหนักไปส่งโรงพยาบาล บางเอินคนขับรถของวัดนี่ไปเยี่ยมแม่ช่วงสงกรานนะไม่มีใครขับรถให้พระนะพระก็เลยต้องขับเองเพื่อพาเนรไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคนไข้นี่เต็มเลยต้องนั่งรอแล้วก็ที่นอนอยู่บนเตียงแต่พยาบาลคนนึงเนี่ย ง่วนอยู่กับโทรศัพท์มือถือถ้าเราเห็นภาพนี้นี่เราจะรู้สึกอย่างไรก็มีหลายคนนะไม่พอใจหาว่าเนี่ยพยาบาล น, นี่เล่นโทรศัพท์มือถื อ, ถอทั้งที่ทคนไข้นี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่สนใจความเดือดร้อนของคนไข้เอาแต่เล่นไลน์เล่นโซเชีลเยล พอคิดแบบนี้แล้วนี่ก็อดไม่ได้นะที่จะไปต่อว่าหรือถ้าเห็นเป็นคลิปวิดีโอก็เขียนคอมเมนต์่ะด่าว่าจนบางทีโรงพยาบาลก็เดือดร้อนเลยนะแล้วก็เล่นงานพยาบาลคนนั้นแต่ความจริงคือว่าพยาบาลนี่กำลังรายงานอาการของคนไข้ให้กับหมอนะ ส่งข้อความไปทางลายเพราะเดี๋ยวนี้บางทีหมอก็ไม่ค่อยว่างนะพยาบาลก็ทำหน้าทีนะ่รายงานอาการคนไข้ซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นการเพิ่มพาระให้กับพยาบาลเลยเพราะว่าถ้ารายงานด้วยปากนี่มันจะง่ายกว่าเยอะเลยตรงชือรถนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย มันมีบินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะวิ่งไล่เตะไล่ตีชายผู้หนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นเหตุการณ์นี้นี่เราจะรู้สึกอย่างไรนะก็มีหลายคนไม่พอใจนะหาว่าเนี่ยบินมอเตอร์ไซค์นี่ลังแกชาวบ้านทำร้ายคนที่สู้ไม่ได้ ถ้าเห็นเป็นคลิปวิดีโอก็เขียนด่าคอมเมนต์ถือว่าทาหน้าที่พลเมืองดีนะอะไรที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ต้องวิจารณ์นะแต่ความจริงคือว่าเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยนะแบกระชากสร้อยนะของคนในซอยเนี่ยวิ่มอตอไซต์เห็นพอดีนะ เด่อเสียงร้องของผู้หญิงนะที่ถูกกระชากส้อยก็เลยวิ่งไล่ตามนะวิ่งไล่ตามแต่ว่ามิจฉาชีพนั้นก็ไม่ยอมนะต่อสู้ขัดขืนนะวินก็เลยต้องอต้องไล่ตีไล่ตบนะเพื่อจับให้ อ, อยู่หมัด น, นะจะได้คืนทรัพย์ให้กับผู้เสียหาย แต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะกับวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นเพราะว่าถูกลุมประนามไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับพยาบาลคนนั้นเนี่ยที่ถูกลุมด่าว่าทั้งที่ตัวนี้กาลังทําหน้าที่ของพยาบาลที่ดีหรือเช่นเดียวกับภาพรูปนั้นเนี่ยที่ถูกญาติโยมเนี่ยลุมกระหน่ำนะ ต่อว่าเพราะเข้าใจว่าเนี่ยพระหนุ่มรุ่มนั่นนี่ไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วมันก็เตือนใจให้เราถ้าเรารู้ความจริงมันก็ทำให้เราตระหนักว่าเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นนะกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ แล้วก็สิ่งที่เราคิดนี่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราเห็นไปอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามันเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าเราด่วนสรุปนะพอเห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สรุปไปเลยนะว่าเนี่ยมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วพระนี่ขับรถไปเที่ยวกลางคืนพยาบาล ไม่สนใจคนไข้เอาแต่เล่นโทรศัพท์หรือว่าวีนี่โหดนะทำร้ายคนที่ไม่มีทางต่อสู้เนี่ยบางทีคนที่เขาพยายามทำหน้าที่ของตัวเนี่ยแต่ว่าถูกรุมว่าถูกรุมด่าเนี่ยอันนี้เพราะผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นีไม่เข้าใจความจริงนะเห็นภาพแล้วก็ ตีความทันทีไปในทางลบทางร้ายแล้วก็เชื่อสิ่งที่คิดสิ่งที่สรุปเท่านั้นไม่พอนะยังทำอย่างอื่นต่อด้วยนะคือว่าต่อว่าถ้าไม่ใช่ด้วยควาพูดนะก็ด้วยข้อความเห็นปุ๊บสรุปปับ๊บแล้วก็รีบคอมเมนต์ทันที อันนี้คือสิ่งที่เราต้องนะระมัดระวังเอาไว้นะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหรือสิ่งที่เราคิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ในยุคนี้เราต้องนะเราเลิกถึงคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ชื่อว่ากลาเมศูนนะท่านเตือนใจว่าเนี่ยอย่าปรงใจเชื่อเพราะตร ก, กะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอนุมาณคือการสรุปนะนะั่นแหละ เป็นภาพนี้ก็สรุปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าปงใจเชื่อพ่อมองเห็นลักษณะอาการที่น่าจะเป็นไปไดนะ้มันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นจริงก็ได้คําสอนพุทธเจ้านี่สอนมาสอนมาหร้อยปีแล้วยิ่งยุคนี้นี่ยิ่งสําคัญเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าคนเรานี่เดี๋ยวนี้หูตากว้างกายเห็นอะไรเยอะแต่เราก็เห็นแบบฉาบฉวย เห็นชาบชวยแล้วถ้ารู้ว่าเป็นข้อจำกัดว่ามันเป็นภาพที่เราอาจจะไม่ใช่รู้จริงถ้ายับยังช่างใจไม่ด่วนสรุปนะหรือไม่ปรงใจเชื่อความคิดที่สรุปขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่พอไปเชื่อความคิดที่ปรุงขึ้นมาแล้วเท่านั้นไม่พอนะรีบเลยนะรีบ ว่ารีบด่ารีบคอมเมนต์เนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นทันทีกับคนที่เขาทาดีแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาทีนี้คนเรานี่ปากวายมือไวายมากนะแล้วก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยทําให้เราทําอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราจังมีสติยั้งคิดนะไม่พีคามสรุปไม่ด่วนเชื่อภาพที่เห็นหรือที่คิดเอา หรือถึงเชื่อนะแต่ว่าไม่ไม่ด่วนพิมพ์ไม่ด่วนคอมเมนต์นะมันก็ไม่เกิดความเสียหายเพรนสมัยนี้เนี่ยอย่างที่พูดเมื่อวานนะลุกนี้อะไรอะไก็เร็วและสิ่งที่เราต้องทําให้เร็วตามนี้คือการมีสติต้องมีสติที่ไวเพราะถ้าสติไม่ไวนี่นะมันอดไม่ได้เลยนะมันรีบเลยนะ รีบเขียนรีบเม้นทันทีเลยเสร็จแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้แก้ผิดให้เป็นถูกไม่ได้บางทีคนที่เราเห็นแล้วเข้าใจผิดนี่อาจจะไม่ใช่คนไกลตัวก็ได้นะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นคู่ครองอย่างเช่นเห็น แฟนของตัวนี่ไปคุยกับชายหนุม่มถูกคอสนุกสนานนะบังเอิญไปเห็นที่สตาบัคเนี่ยร้านกาแฟเห็นปุ๊บนี่สรุปปั๊บเลยนะว่านะี่แฟนเรานี้นอกใจเลยนี่หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เห็นแฟนตัวเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายนี่ไปคุยกับหญิงสาวอย่างถูกคอในร้านอาหารเนี่ยภาพที่เห็นนี่มันก็ มองได้หลายอย่างนะแต่ส่วนใหญ่ก็ตีความไปเลยนะว่าเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วมีความนอกใจแต่เราก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะบอกแว้งกันคนเราก็คนเ ร, รานี่ทําร้ายกันเพราะความเข้าใจผิดนี้เพราะด่วนสรุปนี่เยอะมากเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าหูตากว้างไกลรับรู้ข้อมูลข่าวสารเยอะและแถมด่วนสรุปด้วย ใจร้อนสติมาไม่เร็วพอมันก็เลยเกิดเรื่องเสียหายขึ้นมาบางทีก็แก้ไม่ทันดันั้นเราต้องในยุคนี้ต้องระวังมากเลยอย่าด่วนสรุปนะแล้วก็อย่าด่วนพูดอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนคอมเมนต์พิจารณาทีทวนว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเห็นก็ได้ อันนี้ต้องใ ส, สะนะ่สเตินะใส่ติที่ต้องไวพอไม่งั้นนี่อารมณ์โกรธหรือว่าความขุนเคืองนี่มันจะเล่นงานใจเราแล้วก็พาเราทำในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลัง